พระธรรมเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่7สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าประชามติผู้มีธรรมวันนี้เป็นวันที่เจ็ด สิงหาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยเป็นวันเป็นวันสำคัญยิ่งเป็นวันกำหนดกฎเกณฑ์ของประเทศชาติรู้สึกว่าตั้งแต่เช้ามารู้สึกว่าดินฟ้าอากาศฟ้าแจ้งจางปัง วันนี้รู้สึกว่ามีแดดนะแต่ก่อนทุกวันมามีแต่บทเค็มเมื่อวานกับฝนตกในช่วงขณะนี้แต่วันนี้รู้สึกว่าฟ้าฝนฟ้าฝนเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่จะไปลงบัตรรับรัฐธรรมนูญหรือไม่รับเป็นวันชี้ขาดวันนี้ แต่ถึงยังไงก็ให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหลา่าทุกคนนั่นแหละที่มีสิทธิ์ควรจะไปย่อนบัตรรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูถ้าหาว่าเราไม่ไปไปว่ า, เ, าเขาใช้ศัพท์ว่านอนหลับทับสิทธิ์ไม่ตะพระสงฆ์เท่านั้นพระสงฆ์ท่านไม่เขาไม่ให้หยอนอแต่พี่น้องประชาชน ต้องไปย้อนบัตรย้อนบัตรรับรับรัฐธรรมนุนรับหรือไม่รับอันนี้ก็สุดแท้แต่พวกเราทุกคนนั่นแหละเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วตั้งแต่อายุ18บมีสิทธิ์ย้อนบัตรอายุ18ปีมีสิทธิ์ย้อนบัตรรับหรือไม่รับแต่พระในพระพุทธศาสนาท่านเอา20ปีนะ วียีปีแปลว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติวีสติวัดโซซิแปลว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์อายุ20ปีจึงให้บวชเป็นพระได้แต่นี้รัชธรร ม, มนูนอายุ18ปีทุกวันนี้ก็เป็นเด็กที่ฉเฉลียวฉลาดแล้วเรียนจบมหแล้วพร้อมที่จะเลือกได้แนวความคิดที่จะลงในความคิดนั้ น, น, น แต่ที่ยังไงก็กฎเกณฑ์กฎหมายจุดนี้เขาคลงโทษหนักพอสมควรถ้าหากว่าใครไปชักจุงชักนำไปให้ล้างวงลางวันติดุติดคุก ต, ต, ติดตารางเขางนี่มีกฎหมายออกมาแต่ที่ยังไงก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เรานะทียัางไงหลวงพ่อในฐานะที่เป็นพระของ พี่น้องประชาชนเป็นพระของลูกหลานเป็นพระสาธารณะสาธารณะอย่างที่หลวงพ่อพูดเป็นพระของทุกคน เ, เขาเนี่ยบอกกล่าวให้ลูกหลานไปลงไปหย่อนบัตรนะีอย่าไปนอนหลับทับสิทธิ์ตา่ตางคนบางคนก็โหนโวโบนโหนขึ้นโนตโวก็ไม่เอาไม่หย่อน อันหลวงพ่อก็ว่าไม่ถูกประเทศไทยทั้งประเทศของเร า, เารับหรือไม่รับก็ให้มันชัดเจนเถ้าเราจะรับนะก็รับแต่ปฏิเสธเไปเลยถึเหมือนกตัวเองไม่รับไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่จักไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วมก็ไม่ดีอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะาถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีนะรับทําไม ถ้ามันดีอยู่แล้วก็รับมันอยู่ในในตัวของเราถ้าหากว่าเราที่ผ่านมาเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงที่จะหลบปรคร้องเป็นยังไงอันนี้พวกเราก็ได้ฟังข่าวทางวิทยุโทรทัศน์เขาชี้นำชี้แนะให้ให้กับพวกเราทุกๆท่ทานอยู่แล้วนะอันนี้เป็นสิทธิ์ของลูกหลานทุกคนนะนะ คนในชาติแต่แต่ตยังไงหลวงพ่อว่าควรจะไปย้อนบัตรนะวันนี้ไม่ควรจะนอนหลับทับสิทธอย่างที่วานนะ่ะนะปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งถ้าว่าต่างประเทศต่างออชาติเข้ามาย้อนบัตรเออขาเรียกว่าเขาเข้ามาเนี่ยเราอาจจะออสู่เขาไม่ได้เพราะนั้นประเทศของเราเราก็ต้องมีสิทธิ์ อ, อที่จะต้อง ทำให้ดีที่สุดนะวันนี้วันนี้คือวันหนึ่งนะเป็นวันชี้เป็นชี้ตายของการปกครองของประเทศนะลูกหลานนะและก็พร้อม ก, กันก็วันนี้เป็นวันประชุมเพลิงของหลวงพ่อประสิทธิ์วัดธรรมสหายาก็ผู้ใดอยู่ใกล้หรือว่าผู้ใดได้ยินแนละ้วก็ กงจะไปมืดฟ้ามัวดินนะหลวงพ่อว่านะเนีย่ยวันนี้แนหะเป็นวันขนฝนคงไม่ตกหรอกฝนคงเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ทําบุญได้ประชุมเพลิงหลวงพ่อประสิทธิ์ที่วัดธรรมสายงานวันนี้รู้สึกว่างาน <c oughs> งานชนกันนะพกพุทธบริษัททั้งงานประชุมเพลิงหลวงพ่อประสิทธิ์ด้วยทั้งงานาย่อนบัตร รับรัฐธรรมนูญหรือไม่รับด้วยวันนี้เ ป, นเป็นเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาติที่เดียววันนี้เพราะนั้นขอให้ลูกทุกคนน ะ, ะการตั้งกดตั้งเกณฑ์เนี่ยสำคัญในหลักของพุทธศาสนาผู้มีกิเลส ต, ตั้งก็อย่างว่ามั่นกันอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดพอตั้งขึ้นมาแล้วก็จะให้ดีทุกอย่างเป็นไปไม่ได้หรอก จะให้เลวทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันเหมือนกับคนเราเนาีถ้าหากว่าคนเราคนหนึ่งถ้าอยากให้ยั่งใจเราเนี่ยเรากว่าในร่างกายของเราเนี่ยควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้าบางทีก็ตกแต่งขึ้นมาเพราะไม่พอใจขนาดร่างกายตัวเองเอามาจากท่องท่อง ท้องแม่แท้ๆก็ยังไม่พอใจอนนสุขสิ่งทุกอย่างจะให้พอใจทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างก็คงเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันคนที่มีกิเลส ค, คนหนึ่งเจตนาอย่างหนึ่งคนหนึ่งเจตนานาอย่างหนึ่งนานาจิตต่างนานาทัศนะถ้าหากว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเป็นผู้ตรัสรู้สยามภูรู้แจงโลก เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพุทธญาณพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริง อ, อ, องค์หนึ่งไม่มีใครเทียบเท่าเมื่อท่านได้ตัดรู้แล้วกันประกาศพระธรรมคําสอนออกมาผูกลูกศิทธิ์ลูกรรหาก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อันนี้ไม่มีใครเถียงขึ้นมาไม่มีใครจะคัดค้านขึ้นมาเลยตอนนีน้ในยุคส ม, มัยนั้นที่เป็นสาวกของพุทธะนะ เ, เว้นเสียแต่ผู้แข็งดีกวอย่างพระเทวทัตพระเทวทัตนี่ก็ได้บวชพระพุทธเจ้าบวชให้กูจรททิงพอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดานะพระเทวทัตนะเขาก็เรีย น, ยนวิชาความรู้เหมือนกัน จนถึงกับว่าได้ฌานโลกีนะพระเทวทัตเหาะได้นะแสดงฤทธิ์ได้นะหาะเหินเดินฟ้าได้นะพระเทวทัตนะแต่พอไปสมคบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูเท่านั้นแหละท่านนี่วางแผนให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อเพื่อจะได้ครองราดในเมื่อพระเจ้ า, าชาศัตรูครองราชแล้วก็พระเทวทัตกว่าเราจะได้ เราให้เราจะจัดการพระพุทธเจ้าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนเป็นคณาจารย์แทนก็วางแผนง่ายจ้างนายขมังธนูบงังปล่อยช้างนาราคิเลงบงังกิ้งหินลงไม้ทับพระพุทธเจ้าบางังโอหลายๆอย่างแต่เราศึกษาในประตรัยปิดกนะอันนี้คื อ, คอในยุคสมัยนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกัน ก่อนที่พุทธศาสนาจะเป็นมาได้อย่างนี้คนที่เห็นด้วยก็มีคนไม่เห็นด้วยก็มีคนไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันอย่างหลวงปู่ขาวท่านยังบอกท่านยังพูดว่าสมัยครั้งพุทธกาลเราก็เคยเกิดท่านระลึกชาติได้เลยหลวงปู่ขาวกนนั้นทุกวันที่เป็นยอมรับกันกับท่านสําเร็จเป็นพระหรหันต์องค์หนึ่ง เป็นประมาจารที่ทํากองเพลงเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นแรกท่านภาวนาท่านก็บอกว่าท่านรู้ว่าตะกอนท่านก็เคยเกิดเกิดในครั้งพระพุทธเจ้าแต่เกิดมาแล้วเป็นลูกศิษย์ของพระโกกาลิกเหมือนั้นพระโกกาลิกเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระเทวทัตแท้เลยเข้าฝ่ายพระเทวทัตแต่แต่หลวงปู่ขาวเนี่ยคงจะเป็นลักษณะลูกหบับ คงจะไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะท่านบอกว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระโกกาลิกนั่นแหละไปคบไปคบก ล, กลุ่มคนเลวนะไปคบกลุ่มคนเลวมันก็ต้องเลวไปด้วยนะแต่เนี่ยพระลุงปู่เกาเลยตายจากชาตินั้นแหละที่เป็นเป็นพระเนี่ยตายตกนรกท่านว่ากันนะออพอตกนรกขึ้นมาเนี่ยเดมาเกิดนะแล้วก็มาเกิดชาตินี้ก็ได้บำเพ็ญตามแนวแถวของพุท ธ, ธ ท่านก็ว่าได้ท่านมั่นใจว่าสําเร็จมรรคผลกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุในหลงปูขาวนะทำกองเพชอันนี้แปลว่าท่านครบครบคนไม่ดีคบคนเลวเตั้งที่ท่านบวชเข้ามาแล้วท่านจะแหวงหาแล้วก็ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ท่านจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล อ, อย่างน้อย ก, ก็ได้เป็นพระโสดาบันอันนี้กลับไปคบ ลูกน้องลูกหาบของพระเทวทัต เ, เลยตกนรกไปนี่แหละอันนี้ก็คือเราก็ให้ฟังเอาไว้เหมือนกันท่านพูดเราหูมีสองข้างก็ต้องฟังนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือนานาจิตต่างนานาทัศนะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอยากนั้นพระสงฆ์ก็มากขึ้นเรื่อยๆพอพระสง์มากขึ้นมาแล้วต่าง องค์ต่างแนวความคิดองค์หนึ่งคิดอย่างหนึ่งองค์หนึ่งคิดหนึ่งถ้าเป็นพระรหันธ์นะอถ้าเป็นพระรหันธ์พอได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้สําเร็จเป็นพระรหันธ์อ น, นั้นไม่มีปัญหานะพระรหันธ์ไม่เคยสร้างปัญหารู้จักสิ่งควรไม่ควรแต่ปุตชล น, นี่สิมันชนดะไปเรื่อยเทนาไหร่ไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกนชนเอสิ่งที่ไม่ควรชนก็ชนเอออกนอกลูกนอกทาง จากนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำก็ทำสิ่งไม่ควรพูดก็พูดพราะมันคิดเป็นทางมิจฉาทิฏฐิทั้งที่บวชมาแล้วเพื่อส่แสวงหาทางพ้นทุกข์พอบวชเข้ามาแล้วสแสวงหาราบยศสรรเสริญอยากจะให้คนยกย่องนับถือเลื่อมใสอย่างพระเทวทัตไปสมคบกับพระเจ้าอัศาร์เธอร์เพื่อจะให้ตัวเองเด่นดังโดด โดดเด่นอย่างพระพุทธเจ้าเอ่อแต่บา ร, รมีจุดนี้นะี่ยมันเป็นของใครของเรามาแต่ดึกดำบรรพเป็นบา ร, รมีเป็นผู้สั่งสมบุญกุศล ม, มาแล้วนะเอใครจะมาแย่งเอาไปแย่งประกันไม่ได้หรอกเออบุญบารมีของพุทธนะอันนี้พระเทวทัศนเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าเด่นดังโดดเด่นเนอะอยากจะแย่งเป็นพระพุทธเจ้าแทนนะเนี่แหละก็ได้วางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าเนะนี่ยนี่แหละมีหลายๆ แนวที่พระเทวทัตวางแผนเนี่แหละอันนี้ก็คือแนวที่พุท ธ, ธมาในพุท ธ, ธประวัตินะแต่นั้นพระองค์ก็ได้เมื่อพระสงฆ์มากขึ้นมาต่างคนก็ต่างกระทำความผิดอย่างที่ว่านะ น, นานาจิตต่างนานาทัศนะบางคนก็ไม่รู้ว่ามันจะผิดก็ทำไปบางคนก็รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ควรจะทำขนาดกฎหมายบ้านเมืองก็ยังผิดตัวเองก็ยังทำ ในยกสมัยนั้นสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเมื่อไหรอย่างภิกษุไปขโมยคนก็ตามใครก็ตามไปขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยราคาเพียงห้ามาสกตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปโทษประหารฮะมันไม่ใช่โทษเบานะโดดหนักทีเดียวล่ะออันนี้ก็คือสิ่งที่ที่โทษอย่างนั้นขึ้นมาก็มีในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธเจ้าพระนันพส่์ทาความ ผิดออพอบวชพอมาแล้วไปทำความผิดได้ยังไงฮะสิ่งที่มันไม่ดีพระเจ้าก็มองเห็นเมื่อพระสงฆ์บวชเข้ามาแล้วทำตัวไม่ดีแล้วประกาศพระศาสนาพระศาสนาจะไปได้ยังไงเพราะคนเขาดีกว่าพ ร, พระสงฆ์เนี่เลวทีนี่ไม่เคารพกฎกติกาชาวบ้านเขายังเป็นคนดีกว่าพระ แล้วคนที่เลวกว่าจะไปประกาศและไปบอกสอนคนที่ดีกว่าตนเองได้อย่างไรเนี่ยนี่เราพระพองค์ท่านมองเห็นนอถ้าว่าเราไม่ประกาศให้เหนือกว่าเขาไม่บัญญัติทำและวินัยไม่บัญญัติวินัยกฎกติกาให้เหนือกว่าเขาเราจะไปสอนเขาได้อย่างไรในพระพระองค์จึงบัญญัติวินัยขึ้นมาทีอในวันเดือนหกวันเดือนสามเพน ที่วัดป่าเวลวุวันกรุงราชจะคือตอนบ่ายพระสงฆ์มาพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดแน่พันสรรูปพระสงฆ์มาในวันนั้นมาพร้อมกันร้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์มีปฏิสัมพิธาญาณมีเล็ดมีเหาะเหินเดินฟ้าได้บวชเฉพาะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งหมด พระเหล่านั้นนะพระพันสองค์คือพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาบวชให้ทั้งหมดพระพันองร้อยห้าสิบรูปจากนั้นมาพร้อมกันตอนบ่ายพระองค์จึงบัญญัติวิทย์ในให้โอวาทปฏิโมกในวันนั้นคลายเขาว่าพระองค์บัญญัติวินัยหมวดบวชให้เป็นหมวดหมู่ จัดให้เป็นหมวดหมู่หมวดนี้หมวด1งหมวดสหมวดสหมวดสีหมวดห้าหมวดหกปาราชิกสีสังคาที่เศษส3สามยตสอนิศกียปาจิตีสามสิบปาจิตี92าิปฏิเทตนิยะสี่เสกียวัตร75ารวมเป็น220นับทางอธิกรณะสมถะเข้าคือวินัยยังไม่ชัดเจนวินัยกำลังทะเลาะวิวาทกันควรจะปณีปนอมกันอย่างไรน อันนั้นไปว่าอธิกรณะสมระ h เจรวมเป็นสินส2ยี็ดของพระสงฆ์พระออค์บัญญัติจากนั้นก็บัญญัติสินอภิศมาจาร์พ่วงเข้ามาอีกเเหมือนกับกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายแพ่งลักษณะอย่างนั้นแหล ะ, ะกฎหมายสถานเบาแต่ที่ยังไงต้องเคารพ อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยในวันเดือนสามเพนวันนั้นเพราะเป็นพระองค์เป็นศาสตาต้นเป็นพระศาสนาเป็นต้นตระกูลใช่ไหมล่ะเอพระธรรมพระสงฆ์เหล่านั้นก็ได้สําเร็จพระธรรมคําสอนจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะมีใครจะมาถกเถียงพระองค์ได้พระองค์เป็นแนวความคิดอแต่พระองค์ก็ไม่ใช่ว่าอจะเยื่อหยิ่งอะไรนะ บางทีพระองค์ก็ประวัติประวารณาในสงฆ์ดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายที่เราเป็นสาธาดาตถาคตถ้าว่าพวกเธอทั้งหลายเห็นการกระทาการพูดของเราที่มันไม่เหมาะสมถ้าพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็บอกกล่าวเราได้เรายินดีที่จะรับฟังจากพวกท่านทั้งหลายที่ว่ากล่าวเราขนาดนั้นนะพระองคป์ประกาศในสงฆ์ ภาษาเรบูทที่เป็นอัครสาวกที่เป็นผู้ใหญ่เป็นอัครสาวกนั่งกรยองปนมมือขึ้นในท่ามกลางส่งโอ้คำเช่นนี้ไม่ควรจะกล่าวไม่ควรจะตรัสพระพุทธเจ้าข่าพวกพระ อ, องค์เป็นาศาสดาเป็นต้นาศาสนาพระ อ, องค์ทานะเป็นผู้ประกาศบอกกล่าวแนะนําพวกข้าพระ อ, องค์พวกพระ อ, องค์จะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์เป็นศาสดาเลยเป็นผู้เลิศอยู่แล้วไม่ควรจะตรัดด้กล่าวอย่างนี้พระเจ้าข้าเออบางทีมันอาจจะมี น, ะนั่นแหละขนาดพระพุทธองค์ท่านเป็นผู้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านยังได้ตรัสได้กล่าวเตือนภิกษุสงฆ์พวกเราพวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทําเรานะในวันปวารณานะนี่แหละอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยกันผู้ใหญ่เราอย่างหลวงพ่อเนี่ยบรรพระในวัดถ้าลูกหลานทั้งหลายพระเนรทั้งหลายเห็นการกระทาของหลวงพ่อที่ไม่เหมาะสมหลวงพ่อก็ยินดีที่จะรับฟังคณะสิทธิอนุสิท์ที่บอกกล่าวแต่หลวงพ่อเป็นผู้เป็นหัวหน้าก็ต้องแนะนำที่หลวงพ่อได้ศึกษาได้เรียนรู้มาอย่างไรหลักพระธรรมวินัยอย่างไง หลวงพ่อก็บอกกล่าวพวกผู้เข้ามาศึกษามาต้องการศึกษาเรียนรู้ในหลักพระ ธ, ธรรมวินัยนี่แหละอันนี้ก็คือในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธความผิดและความถูกไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งถ้ายังมีกิเลสยังอยู่ในจิตในใจอยู่ถึงจะเป็นระดับไหนก็เถอะนะยังมีกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะยังอยู่ในจิตใจก็ไม่แคล้วไม่แพ้วผ่าน ที่จะทําความชั่วเสียหายหเกิดขึ้นได้เพราะนั้นความตีหรือความชั่วมันอยู่กับทุกคนเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพระพุทธองค์บัญญัติวินยัยตั้งแต่คราวนะ้นครั้งเดียวนะพระพุทธเจ้าองค์บัญญัติวินยัยไม่ใช่บัญญัติขึ้นมาแล้วก็ล้างรัฐธรรมนูญไม่มเีเพราะว่าท่านตรัสตีแล้วท่านจึงบัญญัติขึ้นมา แต่เว้นเสียแต่อวบปีกย้อยมีอยู่อวบปีกย้อยที่มีอยู่ที่ท่านบัญญัติขึ้นมาแล้วก็ล้างใหม่ก็มีอยู่ที่เราเห็นที่หลวงพ่อได้ศึกษาในพระไตรปิฎกมีจุดไหนทางพวกลูกหลานพ่อพูดอย่างนี้ลงมาอาจจะสงสัยนะหลวงพ่อจะเปรียบเปรียบเทียบหรือเปรียบเปยให้ฟังก็คือสมัยหนึ่ง พระพุทธองค์แสดงธรรมอยู่ในศาลาใหญ่ศาลาใหญ่พระสงฆ์นั่งเต็มแต่มีพระองค์หนึ่งไปฉันกระเทียมในวันนั้นพอฉันกระเทียมเสร็จแล้วนะตัวเองจะเป็นนั่งอยู่โนะอยู่มุมมุมสุดกนละัวห ม, หมูหมูจะเหม้นปากตัวเองเพราะตัวเองฉันกระเทียมนะเวลาหายใจออกมามันก็มีกลิ่นที่มาอยู่ใกล้ใครใครเขาบอกมันเหม็นนะ่ะเหม็นกระเทียมพระองค์นั้นก็เลยไปอยู่อยู่ไกล ไม่ให้ไม่ให้มุมเหม็นปากตนเองมาเมื่อพระองค์จะแสดงธรรมพระองค์ก็คงจะรู้แล้วล่ะ ว, ว่าควรจะควรจะพูดจะตรัสยังไงแต่ท่านท่านเขาถามว่าเอยพระองค์นั้นน่ะที่อยู่ไกลๆนั่นน่ยที่เราแตถาคตที่เราพูดเนี่ยที่เราเป็นพุทธะพูดให้ฟังเนี่ยเธอได้ยินไหมล่ะแต่อยู่ไกลขนาดนั้นอ่ะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างพระเจ้าข้าฮะ ทำไมทำไมไม่มาเข้ามาใกล้ๆล่ะก็ได้ยินไม่ได้ยินบ้างเข้ามามามาบวชเพื่อการศึกษาเลยทำไมจึงไม่ใส่ไฟใจในการศึกษาน่ยเข้ามาศึเข้ามาบวชเข้ามากับเพื่อฟังเพื่อการศึกษาเพื่อเข้าใจอันนี้ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างยังจะเกิดประโยชน์อะไรเป็นพ่อเหตุไรล่ะจึงนั่งไกล่ะพ่อข้าพระ อ, องค์ฉันกระเทียมพระเจ้าข้ากลัวหมูทั้งหลายจะเหม็น เหม็นกลิ่นในลมหายใจและกลิ่นปากของข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงได้มาอยู่ไกลพระเจ้าข่าเหรอเห็นแก่ปากเท่านั้นเหรอเห็นแก่ปากแก่ลิ้นเห็นแก่ท้องเท่านั้นเหรอมาบวชในพุทธศาสนามาอยู่ในศาสนาของเราตถาคตมันไม่เห็นแก่ทำความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสหรือเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่แก่เทียมหรือจะ นอนจมนอนใจตายอยู่ในโลกนี่เหรอเนะี่ยอ้าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบัญญัติวินัยภิกษุใดก็ตามฉันกระเทียม อ, อต้องปาจิตตนะิบรญญัติวินัยขึ้นมาเลยทนะีเดียวจากนั้นพระภิกษุทั้งหลายก็ไม่ได้ฉันกระเทียมแล้วไปพระได้ฉันกระเทียมวันหนึ่งออพระภาษาลิบุตรปวดท้องทีไหอปวดท้องตอนบ่าย เออท่านปวดท้องแต่นี้ท่านภาษาเลพราหุลก็บอกเอ๊ะ พ, พระอุปชาครับผมตามปกติถ้าปวดท้องอย่างนี้จะฉันอะไรเนอะจึงจะเป็นที่สบายกับผมเออพลาหุนก็เป็นลูกเป็นลูกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะลูกชายของพุทธเจ้ามีองค์เดียวพระราหุนเป็นสมัมมาเนนภาษาเลพูดเป็นพระอุปชาของพรลาหุนนักบอกเออถ้าเราเได้ฉันยาปานะถ้าฉันได้ เข้ากับกระเทียมเนี่ยโรคกับกำเริบอย่างนี้เราจะหายฮะพระราวหุ่นก็เลยถ้าอย่างนั้นก็ควรจะไปกราบพระพุทธเจ้าพระราหุ่นเป็นสมเด็จเลยไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าพระอุปชาของข้าพระองค์ปวดท้องถ้าหาว่าได้ฉันกระเทียมท่านจะเป็นสปายะท่านจะหายจากโรคปวดท้องขอพระองค์โปรดเมตตาให้ ได้ฉันกระเทมกระเทียมเพื่อเป็นยานโดยเถิ่นพระเจ้าข่าเนะี่ยพระราหุนก็ไปกราบถูนขอพระองค์ก็เลยบัญญัติวินัยเลบัญญัติวินัยใหม่อา้าวพระสงฆ์ทั้งหลา ย, ยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพริกสุใดก็าตามฉันกระเทียนมะเพื่อเป็นยานฉันได้ตั้งแต่ตอนบ่ายนะ ถ, นถ้าฉันตอนเช้า ฉันกระเทียมสดๆในตอนเช้าเนี่ยกับอาหารนี่ปรับอบัติปาจิตติถ้าฉันออตอนบ่ายเพื่อเป็นยาเป็นปานะได้อยู่ น, นี่แหละให้พระทั้งหลายพระสงฆ์ทัหลายฟังเอาไว้นะพี่ในนั้เป็นอย่างนั้นนะให้อ่านไปไ ป, ไปศึกษาี่ที่วาน่ยแต่ปรับโทษหนักพอสมควรนานๆจะได้ยินกระทุนในใจกับปาจิตติที่เป็นอภิสมาจาร์นะโดยมาสิน อันนี้นอกพระปฏิโมกต์นะไม่ใช่สิน พ, พระปฏิโมกติว่า เ, เป็นศินอภิสมาจารย์บัญญัติเพิ่มเติมฮะนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าบัญญัติวิทยขึ้นมาเพื่อให้ดูแลพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลให้มีกฎร ะ, ะเบียบการเป็นอยู่ด้วยกันคือเป็นมาตรฐานเดียวกันการเป็นอยู่นี่แหละอันนี้กฎหมายและจะทำบัญญวันนี้ก็คงลักษณะอย่างนั้นนะคือให้ประเทศชาติอยู่ในกฎ เกณฑ์อยู่ในกฎระเบียบเดียวกันเพื่อไม่ให้ออกนอกลูก่นอกทางแต่ผู้ที่บัญญตยัิวินัยคงจะกองแล้วกันอีกมั่นกันเพื่อจะให้กฎเป็นไปได้ดีแต่นี้กฎของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระหรหันต์หมดกิเลสเป็นผู้บัญญัติไม่มีเข้ากลุ่มนั้นไม่มีเข้ากลุ่มนี้เป็นผู้ซื่อตรง ไม่ได้เข้ากริยัไม่ได้เข้าพราหมณ์ไม่ได้เข้ายาจกวนันอภพเป็นธรรมบัญญัติโดยธรรม เ, เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสและบัญญัติวินยัยบัญญัติธรรมวินยัยเพื่อปกครองทุกระดับ อ, อ, อย่างพระในครั้งพุทธกาลพอบวชเข้ามาแล้วบางทีก็เป็นกริยัก็มี เป็นพราหมณ์ก็มีเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็มีเป็นพ่อค้าเป็นเศรษฐีมาบวชก็มีเป็นยาจกวันนี้พกมาบวชเป็นชาวไร่ชาวนา ม, มาบวชก็มีทีนี้พอมาบวชเข้ามาแล้วเอ๊ะเราจะถือกันยังไงเอ๊จะถือกันยังไงที่จะเป็นผู้นําผู้เดินหน้าผู้นั่งก่อนเออแล้วเป็นอาวุโสเน่ยควรจะกราบท่านผู้ใด สมัยน่าก็คล้ายๆกับบางคนก็ บ, บวชเข้ามาแล้วก็ยังถือศัก์ถือสีอยู่ใช่ไหมล่ะอถกเถียงกันพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยขึ้นมาจะเป็นระดับใดข้อตามเข้ามาอยู่มาบวชในาศาสนาของเราตถาคตเข้ามาบวชแล้วเป็นผู้เสียสละผู้ใดบวชก่อนผู้นั้นแหะเป็นอาวุโสจะเป็นชาวไรชาวนา เ, เป็น ยาจกวันในพวกขนขอทานก็ตามถ้าใครเข้ามาบวชก่อนผู้นั้นเป็นอาวุโสเป็นผู้เดินก่อนนั่งก่อนผู้ที่เข้ามาบวชทีหลังจะเป็นเจ้าฟ้ามาหาการัดเสียสละมาบวชก็ตามท้ายตรงต้องเดินตามหลังตามหลังพระที่บวชก่อนนี่แหละก็คือพระวินัยเพราะฉะนั้นในศาสนาษเมื่ออ ฟ้าหนุ่มฟ้าชายเมืองกุกบิลพัทกับเมืองวิเทหะได้เสียสละจากเวียงวังออกมาบวชในครั้งนั้นมีเจ้ามีฟ้าชายห ก, หกพระองค์จากสองเมืองเอมืองกบิลพัทคือเ ม, มืองพระเมืองพระบิดาของพระพุทธเจ้านะเมืองวิเทหะในปิดเมืองพรมัรดาของพระพุทธเจ้านะ แต่พระเทวทัตเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายแม่นะเป็นฝ่ายแม่ของพระพุทธเจ้าแต่พระอานอน์อุรุทธะกิมภริวัคคุเนี่ยเป็นฝ่ายพ่อของพระพุทธเจ้าคือกรุงกบิลพัทเนี่ยนี้พอเข้ามาบวชพอท่านทั้งหมดเจ้าฟ้าชายจะมาบวชมีคนในช่างการบกชื่ออุบาลีนใน ในช่างคนนั้เป็นผู้ช่างที่มีฝีมือเอ่อเป็นในช่างตัดผมให้พระกุมารทั้งหลายให้ใครๆในในในวังเอ่อเป็นหนุ่มเหมือนกันแต่ได้เห็นฟาชายเอจ้าของอมาบวชโอ้ยขอติดตามไปด้วยเถิดผมขอไปด้วยทั้งฟาชายเหล่านั้นก็เอ้ยนำปามาทําไมไม่ต้องนั่งโอ้ยทีไห น, นผมขอไปอ่อนน้อมถ่อมตนเออเอาไปก็ไป อทั้งฟ้าชายทั้งพาไปพอไปเสร็จแล้วก็ขอขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าขอบวชนะทั้งทั้งฟ้าชายทั้งหลายพอบวชฟ้าชายทั้งหลายเขาเอเอเราจะให้ใครบวชก่อนมถ้าใครบวชก่อนคนนั้นเป็นอาวโุโสใช่ไหมแต่รู้ๆ ก, ก, กัอนอยู่อายุใครอายุใครแก่ก่ออายุมากก่อให้คนนั้นบวชเนะ่ยทีนี้เขากระโลงพระ อ, อุบาลีนี่ เป็นคนใช้ของพวกเราเขาก็มีอายุขึ้นกว่าพวกเราเราก็ใช้เขามาตลอดเป็นลูกน้องเป็น เ, เบี้ยร่างของเราพวกเราเขามาบวชแล้วเราจะไปใช้เขาหรือจะไปให้เขาตำตออย่างเขาก็ไม่น่าจะถูกนะเราควรจะยกเขาเราจะได้ CS, เสียลดทิฏฐิมานะของเราให้ต่ำลงถ้าไม่ภายหลังไม่งั้นเราจะมีทิฐิมานะอยู่เราพร้อมที่จะกราบ อผู้ที่ด้อยกว่าน้อยกว่าเยศักดิ์ศรีน้อยกว่าอย่างที่ลูกน้องของเราเนี่ยอ่ออุปบาลีเนี่ยเป็นลูกน้องของเราเนี่ยเราควรจะให้เขาบวชก่อนนะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยฟ้าชายทั้งหมดก็เห็นด้วยก็เลยให้อุปบาลีเป็นผู้บวชก่อนเอพอบวชก่อนพวกฟ้าชายทั้งหลายเนี่ยก็กราบคารวะกราบพระอุปบาลีที่เป็นผู้บวชก่อนนี่แหละอันนี้คือท่าน จากนะั้นท่านลดทิฏฐิมานะของท่านลงนะจากนั้นพระ อ, อุบาลีก็ใช่ย่อยเลยดิพอท่านต่อมาท่านได้สาเร็จเป็นพระหรหัน์เป็นผู้พระหรหันแล้วเจนี่เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้แข่งผู้แม่นแม่นในวิในใครเขาว่าเป็นประธานศารดีกาลงรองลงมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมอบให้อุบาลีเนี่ยเป็นประธาน วินิจฉัยคดีความต่างๆถ้ามีคดีความอะไรเกิดขึ้นในกลุ่มคณะสงฆ์ลวก่นอนอ้าวอุปรเีเป็นผู้เป็นผู้นั่งวินิจฉัยไม่ผิดพลาดเลยเพราะท่านมีเป็นพระอรหันด้วยท่า น, า แ, นแน่วแน่ทางกฎกติกาด้วยเมื่อวิวนิจฉัยจบแล้วนะเพราะพระองค์บอกว่ารับรองถ้าเราวินิจฉัยก็ อ, อย่างที่อุปรีวินิจฉัยนี่แหละเหมือนกันพระองค์รับรองอย่างนั้น วันนั้นจึงท่านจึงเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้คดีความขึ้นมาหรืเป็นผู้ตัดสินคดีความเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในครั้งพุทธการคือพระอุบาลี น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพุทธะนะสลับซับซ้อนอยู่นะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานาถ้าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวให้ฟังลูกหลานก็คงจะพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรนะาบางทีก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันตุปัตุเปโุรัตตุเล เขนาดพระยังคิดค่ากันก็มีพระเทวทัตคิดฆ่าพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อเดบบอกได้กล่าวให้ทราบนะนี่แหละอันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองก็เหมือนกันนะวันนี้ถึงยังไงในลูกหลานทุกคนนะไปยออ้อนบัตรรับพระราชธรรมมาณุน เ, เพื่อให้เป็นสมบัติของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปออดีหรือไม่ดีพวกเราก็รู้ อที่มันผ่านมาเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงไม่มีใครที่ที่จะรู้พราเราใจทุกคนลแล้วทามันดีเอาเป็นอันไหนมันดีตัวไหนที่มันไม่ดีฮเออแต่เราก็อย่างว่ามันกันนะเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้อ่านจะก่อนะเราไปนในวิิเคราะห์จะก่อนเอเพราะมันลงเราพวกเราของมันมากนะเอแต่ทีไยังไงก็ตามแนละ้ว เอาตามสติตัมปราตามปัญญาของพวกเราที่มันมีนะนะ่ะกันกรองด้วยเหตุผลนะนะั่นน่ะการจะให้คนอื่นไปชักนำเขาบอกมันผิดอีกนะ เ, อเอาสติ ป, ปัญญาของเราเท่าที่มีนะแต่ทีนยังไงควรจะไปลงไปลงรับประชามติรัฐธรรมนูญถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศชาติวันหนึ่งนะลูกหลานคณะชาติยาิโยม ตอนนี้ไปพระ ส, สงฆ์อนุโมทนาให้ผ่อนรับผ่อนนะทจนีนะ